เจรจาจากเดือนที่แล้วมาเห็นผู้รู้ที่ภาคที่พูดแต่เห็นแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคือมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันอันนี้ก็ตรงแต่งถูกไหมคะมก็เห็นเนี่ยนะกสติตั้งใจมันก็เลยสักแต่ว่าคือปล่อยวางคาว่าสัแต่ว่าไม่เข้าไปจับปล่อยอ่ะคือไม่มีใครเข้าไปเสวย อาการที่เกิดขึ้นในใจแต่ใจไม่ปรุงแต่งใจไม่อาจปรุงแต่งได้ใจหรือจิตเดิมแท้ๆหรือเป็นวิญญาณแท้ๆนี่ของแท้เนี่ยไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นได้แต่รู้อย่างเดียวคิดไม่ได้มันมันเป็นวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่แปลว่าผีที่คิดได้วิญญาณแปลว่ารู้มันได้แต่คิดมันรู้คิดมันได้แต่รู้คิดไม่ได้รู้ไม่คิดคิดไม่รู้ ผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่คิดผู้คิดไม่รู้เพราะว่าผู้รู้เนี่ยเราเป็นวิญญาณแท้ๆวิญญาณแปลว่ารู้แต่ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรสถานไม่มีไม่มีกิริยาการอะไรไม่มีดวงไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีผ่องใสไม่มีเศ้าหมองไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่อาจคิดเรืปรุงแต่งอะไรได้มีแต่รู้แต่ตัวตนไม่มีเป็นเหมือนความว่างเปล่าของความว่างงธรรมชาติจักรวาล เรามาจากความว่างมาจากความว่างแล้วก่อเกิดมาเป็นพลังงานคือมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วจากพลังงานก็มีรูปร่างเป็นสสารคือมีร่างกายขึ้นมาแต่เวลาตอนตายแล้วเนี่ยไอ้ร่างกายที่เป็นสสารก็ดับพลังงานก็ดับแล้วเหลือแต่ความว่างเรามาจากความว่างก็ต้องกลับคืนสู่ความว่างแต่เวลาพอเรามาเกิดแล้วเราลืมไปว่าเรามาจากความว่างคือวิญญาณเนี่ยมีแต่ความว่างใจหรือจิตเดินแท้มีแต่ความว่าง แต่พลังงานเนี่ยคือความรู้สึกเมื่ี้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมามีที่หลังหลังจากที่สเปิมของพ่อกับไข่ของแม่เนี่ยมาผสมพันธ์กันแล้วสเปิมคือธาตุดินไข่ของแม่ก็คือธาตุน้ํามาผสมพันธ์กันพอ ผ, ผสมพันธ์กันเสร็จแม่ก็กินซากพืชสัตวสัตว์กินดินกินน้ํากินลมกินไฟก็ไปผสมกันไปเที่ยวไปสันดาบกันแล้วก็หยดเลือดก็ค่อยโตก็มาเป็นก้อนเลือดเรื่อยๆจนก้อนเลือดโตพอต้องควรแล้วเนี่ย ได้ที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยวิญญาณแท้ๆเนี่ยมีแต่ความว่างเป็นแต่ความว่างซึ่งมีความรู้ก็เรียกว่าธาตุรู้เราเนี่ยคือธาตุรู้ซึ่งเป็นแต่ความว่างวิญญาณแปลว่ารู้เรียกว่าธาตุรู้ก็ได้ธาตุไม่ได้แปลว่าก้อนธาตุแปลว่าความว่างคุณสมบัติอันธาตุแปลว่าคุณสมบัติคือคุณสมบัติของเขาเป็นความว่างว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากเกเริยาการใดๆทั้งหมดมีแต่ความรู้ซึ่งจะลอยมาเนี่ย แต่ตอนที่เป็นอวิชชาอยู่มันก็ยังยังยึดว่าตัวมันมีตัวมีตนอยู่ยึดผิดตัวอยู่อแต่แต่เวลามันเป็นวิญญาณแท้จิตแท้ใจแท้แล้วเนี่ยเหมือนทองแท้ทองคําแท้แล้วเนี่ยที่เขเอาไอ้พวกแรก่ปรอมปนทลุทงก็แล่ปลอมปนออกไปแล้วเลยเรียกว่าทองคําแท้อันนี้เป็นจิตวิญญาณแท้ที่ไม่มีอวิชชาแล้วมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างแล้วลอยมาผสมกับเนี่ยไอ้สเปิร์มของพ่อไข่ของแม่ สาบพืชสาบสัตว์ที่แน่กินก็นไปจะเป็นก้อนเลือดแล้วเนี่ยทัดดินทัดน้ำาตดลมทัดไปมันจึงมีชีวิตจิตใจขึ้นมาที่หลังนะมีชีวิตจิตใจแล้วก็มีมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ออกขึ้นมาที่หลังมีชีวิตจิตใจก่อนแล้วเตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ออกสมบูรณ์ที่หลังเพราะพรุทธเจ้าทิฏัิว่าอาวิชชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารเพราะอาวิชชาเนี่ยความหลงยึดเนี่ยอะไรไว้เนี่ยมันไปจับจองไว้ก่อนพอไปจับจองอะไรปุ๊บมันก็ไปเกิดในที่นั้นเลย มันไปเกิดในที่นั้นสร้างสร้างมีการปรุงแต่งสร้างให้วิญญาณเนี่ยรอไว้รอวิญญาณเราตายเสร็จแล้วก็จะไปเข้าที่นั้นสมมติว่ายึดลูกยึดหลานอาจจะไปเกิดเป็นในท้องลูกท้องหลานเราจะไม่ตายเลยหลานก็บท้องแล้วลูกกับท้องแล้วรอวิญญาณเราตายก่อนล้วไปเข้าถ้าลูกลูกหลานเนี่ยมันไม่ไม่มีครอบครัวหรือไข่ไม่พร้อมจะสุกแต่เราจะตายแล้ว มันก็ไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นเป็นลูกของลูกหลานได้แล้วเรายึดเขาให้ตายแต่ไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นลูกหลานเขาได้เพราะว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่มีครอบครัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไข่สุกมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีลูกหลานได้แล้วมันก็เกิดโน่นไปยึดไว้ก็ไปเกิดเป็นจิ้งจกตุแกเกิดเป็นหมาฟอกบ้านเขาเป็นหมาเป็นแม่ฟอกบ้านเขานั่นแหละเกิดเป็นงูงูเจ้าที่งูในบ้าน นี่ยย like well. you know, ึดอะไรไว้อะไอ้ตัวยึดในเรียกอวิชามันยึดไว้มันจองไว้มันจับจองไว้เลยไปสร้างสังขารไว้ในที่นั้นรอเราพอเราตายเสร็จแล้วมันก็ไปนี่เราจะไม่ตายมันก็รอวิญญาณเรานี่แหละมันจึงเรียกว่าอวิชาเนี่ยคือมันอวิชามันไปจับจองไว้ก่อนแล้วสร้างพบสร้างชาติไว้ก่อนแล้วมันยึดอะไรไปสร้างพบสร้างชาตไว้ก่อนแล้วเตรียมที่จะไปอเตรียมที่จะไปเสร็จแล้ว ยึดบ้านเนี่ยที่มีหลานคนจิมปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่วานเก็มโกะมันมาเล่าให้หลานไอ้หลวงปู่วานฟังว่าประเด็นวิญญาณของยายหรือญาเนี่ยทุกขังในฝาบ้านห่วงบ้านห่วงบ้านห่วงบ้านอย่างเงี้ยไปไหนก็คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเสร็จแล้วเป็นเป็นทุกขังในฝาบ้านวิญญาณของยายเนี่ยหลวงปู่วานเลยต้องให้แผ่เมตตาให้มาช่วยอธิษฐานใ้ด้วยแล้วมาแผ่เมตตาให้ยายใหญาหรือยายให้พ้นจากฝาบ้านไปได้ จะพ้นหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วแต่วาสนาเขาบุญวาสนาเดี๋ยวนั้นอาวิชาเนี่ยมันยึดอะไรไปจับจองไว้ก่อนแล้วอย่างยายยายแก่คนหนึ่งเนี่ยจิตไปปฏิบัติอยู่กับลำปูม้านผูริทัตโตแล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวแป๊บจิตมันไปเข้าเข้าในท้องหลานซะแล้วเพราะว่าจิตเป็นห่วงหลานมากเลยแล้วก็พอไปเข้าบ่อยๆเข้า อ้าวหลานมันก็เลยท้องเลยยายยังไม่ตายเลยแต่หลานท้องกันมาแล้วมันก็นี่เนี่ยไอ้อวิชาเนี่ยบอกความหลงยึดอะไรไว้จับจองไว้เนี่ยมันก็เลยไปสร้างเลยแต่เนี้ยไปสร้างไปสร้างพบไว้ในท้องหลานหลานก็เลยท้องอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนี่ครัไปสร้างพบไปแล้วเรียบร้อยเป็นท้องเรียบร้อยแล้วเพราะสังขารเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณจะมาแล้ววิญญาณยตายจะมาแล้วแล่นมาเป็นระยะระยะ แล้วยังกลับคืนสู่ร่างเดิมได้เพราะยังไม่ตายคือมาตำรวจตำรวจที่จะมาอาศัยเหมือนคนที่จะไปซื้อบ้านเวลาไปตรวจดูบ้านแล้วก็ไปตำรวจดูบ้านก่อนแต่ยังไม่ได้เข้าอยู่ย้ายไปอยู่ก็ไปตำรวจเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะแต่รอตายจริงไปเลยตอนนี้เลยไปเล่าให้หลวงปู่บ้านฟังหลวงมูกบ้านผู้เรีโตกขาแม่ครูอาจารย์ใหญ่เขาบอกให้ตัดได้ขาดนะเดี๋ยวตัดได้ขาดแล้วก็เถอะ ไปเกิดเป็นลูกของหลานหลังเด้อหลานมันยึงตีมันดุมันอยู่ว่ามันอยู่ประจำมาเกิดลูกมันมันเตีเอาอีกเนี่ยต้องทุกข์ยากลําบากเลยภาวนาพุ้โตพุ้โตตัดขาดเลยพอตัดขาดปุ๊บหลานกระแทงเพราะว่าวิญญาณที่ไปจับจองมันไม่ได้ไปไม่ไปเข้าล่างกันเลยแทงแล้วเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันยึดอะไรมาจับจองไว้ก่อนแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารมันไปสราบพบปู่มาตรงกันแล้ว ยึดลูกยึดหลานเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปเปิดกันไม่ว่าจะยึดกันด้วยความรักหรือยึดกันด้วยความชังถ้ายึดกันด้วยความชังมันไปเกิดการก็เป็นคู่กรรมมันแสนสาหัสถ้ายึดด้วยความรักมันก็ไปมันก็ไปเกิดกับเขาเนี่ยไปด้ความรักความห่วงก็ไปเกิดกับเขาไปเกิดเป็นลูกของเขาแต่ถ้าเขาไม่มีครอบครัวไปเกิดเป็นลูกไปเกิดเป็นลูกเขาได้ยังไงแต่ตัวเองจะตตายแล้วแต่ห่วงเขามาก มันก็เไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเป็นจิกจกตุ๊กแกอยู่ในบ้านเป็นผีเป้าเขาอยู่นั่นเนี่ยเป็นเป็ดเป็นเปดเป้าเขาอยู่นั่นเนี่ยมันอาวิชาเป็นปัจจัยวิชาเนี่ยคือความยึดอยู่แล้วมันสร้างภพสร้างชาติอยู่แล้วมันยึดยึดตัวเราเองอาวิชาเนี่ยมันยึดตัวเราเองนี่เนี่ยยึดว่าเราเป็นตัวเป็นตนตัวเราสามารถไปนู่นไปนี่ได้เคลื่อนที่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้มันลืมไปเลยว่าก่อนเรามาเกิดเนี่ยตัวเราเนี่ยก่อนเรามาเกิดเนี่ยเราคือใครเราคือตัวเนี่ย ตัวที่มานั่งฟังหลวงตาแล้วก็มีความรู้ส like. ึกน re really ึก well, ค right. ิดอารมณ์อยู่ตอนนี้เรื่องไงแล้วก่อนที่เราจะมาเกิดไม่เป็นตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างเนี้ยเราเป็นใครอ่ะเรามาจากไหนแล้วตอนนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังหลวงตามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นตัวเราจริงแล้วไอพอไอ้ตัวเราตายเนี่ยมันก็ต้องดับสนิทเลยเพราะว่าไอ้ตัวเรามันตายแล้วก็เน่าไอ้ตัวเน่ามันไม่สามารถมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ถ้าไอ้ตัวเราที่มันไอ้ตัวเราเนี่ย ที่มันเน่าแล้วมันไม่สามารถมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เป็นตัวเราจริงๆเนะี่ยแล้วเราไปไหนอ่ะเราก็ต้องตายพร้อมมันนะแต่ทำไมเราไม่ตายนีหลายคนก็บอกว่าออกจากล่างไปแล้วเห็นมทำไมเราไม่ตายอ่ะเพราะเราจริงๆไม่ใช่ตัวเราที่มันมานั่งฟังหลงตามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี่เพราะเราตายแล้วมันออกไปไหนตัวนั้นไหนมเพราะไอ้ตัวเราที่มานั่งฟังหลงตายมันไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นตัวผสมของสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วกินซาปฟื้นสากสัตว์กินน้ำกินลมกินอากาศพองลมมาเรื่อยๆ เ, เราทแท้แต่คือวิญญาณที่ไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลายไม่เคยตายเลยแต่เปลี่ยนถ่ายร่างไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะอยู่ในร่างไหนที่เรายึดไว้หรือบุญหรือบาปพาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผิดตัวเรายึดผิดตัว เราเอาไอ้ตัวที่ประสมเสร็จเป็นตัวเราเรืลยไปแล้วเราเอาไอา้ตัวที่มันปรุงแต่งได้ที่มันคิดอื่นตอมปรุงแต่งได้เป็นตัวเราทุกชาติไปเลยทัเนี้ยเราลืมไปเลยว่าเราคือวิญญาณแท้ๆที่ทปรุงแต่งไม่ได้คิดอื่นตอมปรุงแต่งไม่ได้วิญญาณแปลว่ารู้หรือธาตุรู้แต่เราลืมไปเลยว่าเราคือธาตุรู้หรือวิญญาณแท้ๆที่ปรุงแต่งไม่ได้เลยเราเอาตัวเราไปปรุงแต่งเรื่อยไปทุกชาติเ อ, อพอเราก็ใจว่าเราคือใายใจเราก็เลยว่างเปล่าเราคือใจที่ว่างเปล่าเราก็เลยกลายเป็นใจที่ว่างเปล่า ไอ้ส er claro. ่วนที้มันคิดตั้งแต่ตอนปรุงแต่งได้ไม่ใช่เราทุกอย่างเดียวว่างเปล่าไม่ใช่ว่ารู้สึกว่างในใจคือมันสงบสงดไปทั้งจักรวาลโลกกับานเนี่ยมันก็เป็นความว่างหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลไม่รู้สึกว่าข้างในไม่รู้สึกว่างข้างนอกแต่มันว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลนั่นแหละคือใจคือเราแท้ๆมาจากความว่างเปล่ามาจากจักรวาลเดิมแล้วกลับคืนสู่จักรวาลเดิมที่หลวงปู่ดูลย์ตโลตอนดับจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ตโลที่ว่าเจ้าแห่งจิตที่เป็นอารหานเนี่ย สิตอนจะดับจิตที่ว่าเราเนี่ยปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อมาถึงสุดท้ายเนี่ยเวลาสุดท้ายตรงนี้คือกลับคืนสู่มหาสุญญาตาหรือจักรวาลเดิมแล้วจะกระดับลงเข้าใจไมหมอย่างเงี้ยเจติมาเข้าขใจเจ้าค่ะอย่างนี้ถ้าตัดอวิชาก็ไม่เกิดภพชาติใช่ไหมเออก็อย่าไปหลงผิดตัวตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราぜ อยไปหลงเอาตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราก็ได้แต่เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งมีแต่ความสงบความว่างเปล่าสงบสงัดไปต้องธรรมชาติทัานจักรวาลนั่นแหละแต่อันไหนที่มันปรุงแต่งได้อย่าไปยึดมันที่ปล่อยวางมันได้หมดเหมือนกับว่าท่านบอกว่าหัดหัดปฏิเสธได้เป็นอะไรที่ปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเราเป็นสิ่งที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เราไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตน ตัวตนของเราไม่มีเรามีมาแต่กับเป็นความว่างหนึ่งเดียวเป็นเป็นแต่ความสงบความสงัดไปทั้งธรรมาชาติจักรวาลเราไม่อาจปรุงแต่งได้เราไม่อาจปรุงแต่งได้เราเป็นวิสังขารหรือเป็นอาสังกาตธาตุแต่ไม่ใช่เราคือตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่พูดได้คิดได้คือตอนปรุงแต่งได้ที่มีอารมณ์ได้ที่สบายใจได้ไม่สบายใจได้ที่สุขทุกข์ได้อันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นตัวสังขารสังขารได้ตัวไหนคิดได้กระเพื่อมได้ไหวตัวได้แสดงกิริยาการได้แสดงการกระทําได้แอคชั่นได้ไม่ใช่เราทั้งหมด อัดเป็นทิเสร็ไว้ตลอดเวลาว่าอะไรที่มันแอคชั่นได้กระเพิ่มได้ไหวตัวได้พูดได้คิดได้นึกตอนปุงแต่ได้มีอารมณ์ได้ไม่ใช่เราตลอดเวลาบอกมันตลอดเวลาเลยยี่สชั่วโมงยกเว้นแต่หลับไปพอรู้สึกตัวปุ๊บบอกมันตลอดเวลาเลยบอกกับอาการนายมาเจ็บท้องว่าเราไม่มีตัวตนตัวนตวนของเราไม่มีไม่จะว่าท่องลอยลมอย่างนั้นนะคือบอกกับอาการที่มันเกิดทุกอาการเนี่ยว่ามันมีความคิดเนี่ยนึกถึงตอนปุงแต่ห้ตัวเราที่คิดอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราตัวที่คิดเนี่ย ไม่เจตัวเราตัวที่คิดหนึ่งต่อบุดรแต่ไม่เจเราไม่ใช่ตัวเราบอกมันไปเรื่อยๆตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีเราเป็นแต่ความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเราต้องขยันบอกแบบเนี้ยมันจะได้หายโง่หายโง่อะไรไม่บอกไม่สอนมันก็งโง่ตายเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเราบอกมันไปบ่อยไหมยังฉลาดเลยนี่เป็นคนนะคนเนี่ย บอกมันเดี๋ยวมันก็ฉลาดได้หลักมันไม่ใช่หมาแมวหมาแมวบอกมันไปบ่อยมันยังฉลาดเลยเออเราขี้เกียจบอกมันไม่บอกไม่สอนบอกสอนมันบ่อยบ่อยว่าเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเราไอตัวเราที่นั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดนั่งมีอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเราคิดไม่ได้เรามีอารมณ์ไม่ได้มีกิยาการใดๆไม่ได้เรามีแต่เป็นแต่ความว่างเปล่า แล the right ้วก็บารบอกไปเรื่อยๆบอกเรื่อยๆเด็กมันก็จำได้จดจําได้หมาแมวเนี่ยนะเลี้ยงไว้มันมาขี้ในบ้านเราเลี้ยงเรารักมันมากนะหมาแมวเราเรารักมันมากเราเลี้ยงไว้ในบ้านนะแต่เราเลี้ยงมันไว้ในบ้านเลยในห้องนอนแต่เนี้ยเราก็ต้องมันสอนมันว่าให้มันเนี่ยไปขี้เยี่ยวนอกบ้านเวลาจะขี้เยี่ยวต้องต้องมีช่องให้มันเนี่ยออกไปขี้เยี่ยวเองได้ที่นอกบ้านไม่งั้นมันก็ขี้เยี่ยวเลอะในบ้านหมดถ้าเราเลี้ยงไว้ในบ้านอะ แต่เราสอนมันได้บ่อยเนี่ยเอาผมไปขี้เยี่ยวในบ้านแล้วก็จับเขาจับมันไปออกในบ้านตีมันดุมันได้บ่อยๆว่ามันไม่ให้มันขี้เยี่ยวในบ้านต้องตีมันดุมันตอนที่มันขี้เยี่ยวในบ้านต้องขณะนั้นนะขณะที่มันขี้เยี่ยวในบ้านต้องดุมันทันทีเดี๋ยวนั้นพเลยเวลาแล้วไปตีมันอยู่เรื่อยๆมันไม่รู้ว่าตีมันทำไมต้องตีมันในขณะที่มันขี้เยี่ยวในบ้านไอ้นี่คือมันการเนี่ยเวลาจิตมันมีความคิดนั่นคือตอนปงแต่มาเรานั่งคิดเรานั่งคิดเรานั่งคิดเรานั่งคิด เราต้องบอกมันขนาดที่เรานั่งคิดว่าดี่ไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวเราที่นั่งคิดไม่ใช่ตัวเราเราต้องบอกมันขนาดที่เหมือนไก่แมวบอกหมาแมวขนาดที่เป็นขี้เยี่ยวมันจะได้จดจําได้ว่าเนี่ยไอ้ตัวเราที่นั่งคิดเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นขันท่าเป็นตัวปรุงแตง่งมันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องแตกแตกดับทาลายและดับไปหมดเราแท้ๆเป็นแต่ความว่างเปล่าเรามาจากความว่างแล้วก็เกิดเป็นพลังงานคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มา แล้วก็เกิดเป็นสังเป็นสสารคือมีรูปร่างขึ้นมาเวลาตายสสารก็แตกดับรูปร่างก็แตกดับหมดเน่าเปื่อยหมดไอ้พลังงานความรู้สึกนึกคิดลมก็ดับหมดแล้วกลับคืนสู่ความว่างแล้วมันสอนแบบนี้ทุกขณะอาการที่มันเกิดขึ้นเหมือนมันสอนขนาะที่หมาแมวมันขี้เยี่ยวอ่ะมันก็จําได้ตีมันบอกมันบ่อยๆแล้วก็เอาก้นมันเนี่ยไปจิ้มดินหน้าบ้านวะเนี่ยที่ขี้ที่เยี่ยวเองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อเดี๋ยวมันก็ออก เข้ามาคี้เยี่ยวในบ้านอีกปีมันอีกแล้วก็ขนาดที่มันคี้เยี่ยวปัจจุบันสอนมันขนาปัจจุบันขณาปัจจุบันสอนมันต้องขนาดจิตปัจจุบันขนาดจิตปัจจุบันมันมันคิดแล้กตอมปุงแตะขึ้นมาเอาตัวเราไปคิดก็ต้องสอนว่าไอตัวที่คิดไอตัวเราที่คิดไม่ใช่ตัวเราตัวที่คิดไม่ใช่ตัวเราตัวที่คิดไม่ใช่ตัวเราเว้ยตัวเรามันคิดไม่ได้บอกว่าโด้บ่อยมันก็จดจําได้ว่าเอามันก็ไม่หลงเอาไอตัวเราที่คิดเป็นตัวเราเราเนี่ยมีแต่เป็นจิตจิตหรือวิญาณแท้แท้ที่ว่างเปปล่่ามันก็ไได้ตอ มันคิดไปได้นึกไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปจับความมึกฝึกว่างนะคือเพื่อไม่บอกมันเพื่อไม่ให้หลงผิดตัวไปอ้อยตัวเราที่คิดเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าตัวเราคือเป็นความว่างเปล่าแล้วไปจับแช่ว่างเลยตอนนี้แช่เลยไหมมันไม่มีนะอาการว่างมันไม่มีคือมันไม่มีตัวตนตัวเราไม่มีตัวตน